เจตนาที่เราพูดออกไปเนี่ยมันบอกเลยเลยว่าชาติหน้าเราควรจะได้ฟังอะไรเนี่ยนะถ้าเราอยู่กับการทําใจให้ฉลาดหรืออยู่กับการทําใจให้โง่เขลาถ้าอยู่กับการทาใจให้โง่เขลาด้วยหาสารพิษทั้งหลายมาทาใจให้มันโง่เขลาก็แสดงว่าอนาคตของเราไม่ฉลาดแน่นอนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตอนตัวเองให้ถึงความโง่เขลาเอาไว้แล้วนี่เราให้อาหารปัญญาหรือให้อาหารแก่ความ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 แต่ละเวลาที่ไหลไปถ้าดูจากกุศลจิตในปัจจุบันดูจากอากุศลจิตที่มีอยู่ในปัจจุบันก็แท้พยากรณ์ได้แล้วว่าชีวิตต่อไปเนี่ยนะช า, ชาติต่อต่อไปหลายหายชาติต่อต่อไปเราควรจะเป็นอะไรเราควรจะเจริญหรือเราควรจะเสื่อมเรามีมนุษยธรรมหรือไม่เรามีเทวธรรมหรือไม่เรามีพรหมวิหารธรรมหรือไม่เรามีอริยธรรมหรือไม่อันนั้นเป็นเครื่องบอกว่าอนาคตรเราคือใคร ถ้าเรามีมนุษยธรรมอยู่ในใจของเราอนาคตอย่างน้อยที่สุดความเป็นมนุษย์เราก็ได้ถ้ามีเทวธรรมอยู่ในใจนั่นก็แปลว่าเราเป็นผู้มีคุณธรรมของเทวดาถ้าเรามีพรห ม, มิหารธรรมอยู่ในใจเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในพรหมโลกถ้าเรามีอริยธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์ปะละโพชฌงและองค์มัตเจริญตามอริยมัตความเป็นพระยเจ้าของเราก็จะมีต่อไปใน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 เขาเลยเรียกว่าผู้พระพุทธเจ้าผู้ได้อบรมกายแล้วมีกายอันอบรมด้วยคุณธรรมทั้งหลายแล้วมีศีลที่ได้อบรมด้วยคุณธรรมทั้งหลายแล้วมีสมาธิมีปัญญาหรือว่ามีความคิดที่ได้รับการอบรมบ่มด้วยคุณธรรมมาเป็นอย่างดีเมื่ออบรมบ่มคุณธรรมคุณธรรมของพระองค์จึงเจริญขึ้นเรียกว่าผู้ฝึกตนนนะผู้ฝึกตนได้สาเร็จก็คืออาศัยคุณธรรมทั้งหลายเป็นเครื่อง กล่อมกล่าวจิตใจให้จิตใจเจริญเติบโตด้วยคุณธรรมเหล่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะท่านจึงมีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ถูกที่ดีจริงจริงอัธยาศัยเพื่อกําจัดความโลภความโกรธและความหลงมีอัธยาศัยวิเวกมีอัธยาศัยเป็นกุศลเนคขมะอพยาบาท อโลกสัญญามีอัธยาศัยที่จะกําหนดธรรมมีอัธยาศัยในปราโมทมีอัธยาศัยในวิชามีอัธยาศัยในปฐมฌานเป็นต้นท่านจึงมีอัธยาศัยที่ดีท่านมีอัธยาศัยวิเวกแล้วก็มีนิสสณัตธยาศัยมีอัธยาศัยที่จะนําตนให้พ้นจากวัฏะแล้วก็มีอัธยาศัยช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากวัฏะมีอัธยาศัยที่จะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลและพระนิพพาน มันท่านอ่ะเป็นผู้ที่ตรึกอยู่ในแต่มหาปริสาวิตกเนี่ยนะว่าท่านจะเจริญความมักน้อยให้มากขึ้นได้อย่างไรสันโดษไม่คลุกคลีปรารกความเพียรอนะท่านเป็นผู้ที่ปรารกศรัทธาจะเจริญได้อย่างไรวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคุณธรรมทั้งหลายจะงอกงามไพ่บู์บริบูญิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไร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 อนนคตอันนี้แหละที่เราจะต้องทำทาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทตั้งตนเอาไว้โดยความไม่ประมาทเนี่ยนะเพราะความไม่ประมาณนี่แหละที่จะช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกได้แต่ก็จากการไปไหว้พระธาตุหลายครั้งเนี่ยนะการที่เราศึกษาคำสอนอย่างนี้นะในช่วชีวิตเราก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในสังในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า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 ศีลก็สมาทานกันบ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อสัตทินรีเจริญไม่ได้ศีลก็เจริญไม่ได้เมื่อศีลเจริญน้อยวิริยินศีก็น้อยสติินศีก็น้อยสมาทินรีก็น้อยปัญญินศีก็น้อยพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าทำอันเลิศไม่ได้ตรัสรู้ด้วยทำอันเร็วมักผลนิพานที่เลิศไม่ได้ตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติเร็วๆเลยไม่ใช่ตรัสรู้โดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจอย่างดีและถูกต้องมันจึงใช้คำว่าพระพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญและมีปัญญา